ตอนที่สองแยกบ้านตัดญาติข้าจะสั่งสอนลูกสะใภ้กับหลานสาวของข้ามันเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยอย่าคิดว่าเจ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วจะมาชี้นิ้วสั่งข้าได้นะเจ้าช่างชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเสียจริงใครๆก็รู้ว่าเจ้ากับแม่ของนางแพทย์สญานี่เคยมีเรื่องงามหน้าอะไรกันมาก่อนตอนนี้ถึงได้รีเสเนอหน้ามาดูแลลูกสาวเขาเจ้าไม่ไอายมีตัวเองบ้างหรือไงนิวซูเฟินเป็นหญิงปากจัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่บ้านนางชี้หน้าดับผู้ใหญ่บ้านโจเสียงดังจนดึงดูดชาวบ้านให้มารวมตัวมุมดูเหตุการณ์นไม่้อย ผู้ใหญ่บ้านโจหน้าดำคั้มด้วยความโกรธหนิวซูเฟินนางเป็นลูกสะใภ้เจ้าแต่นางก็เป็นคนณะเมื่อครู่เจ้าถึงกับจะเหวี่ยงคขั่วเหล็กใส่นั่นมันถึงตายได้เลยนะเจ้ายังกล้ามาตะโกนด่าอีกหรือลูกชายเจ้าเป็นทหารเจ้าทําตัวเป็นแม่ทหารแบบนี้หรือไงเสียงของผู้ใหญ่บ้านโจดันกังวานและทรงพลังจนหนิวซูเฟินเริ่มรู้สึกขยะดอยู่ในใจข้าขอถามเจ้าหน่อยเรื่องที่เจ้าทารุนลูกสะใภ้และหลานสาวแบบนี้ลูกชายเจ้ารู้เรื่องไหมหนิวซูเฟิร์นอ้าปากค้าง ไม่เกี่ยวกับเจ้าลูกชายข้าตายตอนไปทําภารกิจก็เพราะนางตัวสวยนี่แท้แท้ถ้าข้าไม่ได้ตีนางข้าก็ระบายความแค้นนี้ไม่ได้เมื่อได้ยินเรื่องที่สามีเสียสละชีพอีกครั้งหลีชิงพิงก็ยังคงอดไม่ได้ที่จะเศร้าเสียใจแม้สามีจะไม่ได้มีความรู้สึกให้นางมากนักแต่นางก็เฝ้ารอคอยว่าสักวันเขาจะพานางและลูกสาวไปอยู่ด้วยที่กองทัพเพื่อหนีไปจากหนิวซูเฟินและชีวิตที่เหมือนตกนรกทั้งเป็นนี้ผู้ใหญ่บ้านโจกรธจนหูแดงก่ำเขามัดแน่นพยายามข่มอารมณ์ที่อยากจะชกคนเอาไว้ ลูกชายเจ้าสละชีพในหน้าที่เขาคือวีรชนคือฮีโร่แล้วเจ้าหละ่ะการกระทำของเจ้ามันผิดกฎหมายมันคือการทำให้ชื่อเสียงของลูกชายเจ้าโมหมองชัดๆนิวซูเฟินถลึงตาใสแต่กลับพูดอะไรไม่ออกสิ่งที่เขาพูดมานั้นไม่ผิดเลยวันนี้คงลงมือต่อไม่ได้แล้วจริงๆถือว่าปล่อยนางหลีชิงผิงกับลูกไปก่อนก็แล้วกันนิวซูเฟินกัดฟันกรอดครั้งหน้าข้าไม่ปล่อยพวกเจ้าไว้แน่ นิวซูเฟินหมุนตัวเตรียมจะเดินจากไปแต่หลีหวานไม่มีทางปล่อยนางไปง่ายๆหลี่หวานตะโกนขึ้นมาทันทีคุณปู่ผู้ใหญ่บ้านหวั่นกลัวจังเลยคะถ้าคุณย่าลงมือกับหวานและแม่อีกจะทํำยังไงดีคะเด็กหญิงตัวน้อยเนื้อตัวเปียกโชคสองแม่ลูกโอบกอดกันดูน่าเวทนายิ่งนักผู้ใหญ่บ้านใช้แววสงสารไม่ต้องกลัวถ้านางกล้ารังแกพวกเจ้าอีกก็มาหาปู่ผู้ใหญ่บ้านปู่จะคุ้มครองพวกเจ้าเองหลีหวานน้ําตาร่วงเพาะแต่คุณย่ากโกหกค้า ทั้งที่พ่อยังไม่ตายแต่นางกลับไม่บอกพวกเราแถมยังโทษว่าแม่เป็นตัวซวยจะไล่หวานกับแม่ไปจากบ้านแล้วยังบังคับให้แม่ใหญ่กับพ่ออีกอะไรนะลีชิงผิงตะลึงเงินโจเจี้ยนเย่ยังไม่ตายงั้นหรือเสียหวานลูกรู้ได้ยังไงผู้ใหญ่บ้านก็ตกใจไม่แพ้กันหลีหวานร้องให้ตะโกนบอกหวานเห็นจดหมายที่พ่อส่งมาให้คุณย่าค่ะต่อให้หลีชิงผิงจะหัวช้าแค่ไหนตอนนี้ก็นึกออกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น ที่แท้โจเจียนเย่ยังไม่ตายนิวซูเฟินพยายามบีบบังคับให้นางหยา ก, ก็เพื่อจะไล่สองแม่ลูกออกจากบ้านมิหน่าหลาหลีชิงผิงยังนึกแปลกใจว่าในเมื่อคนตายไปแล้วจะหย่าหรือไม่หย่าจะมีประโยชน์อะไรแต่นิวซูเฟินกลับอ้างว่าต่อให้ลูกชายตายไปแล้วนางก็จะไม่ยอมให้หลีชิงผิงฝังร่วมหลุม ก, กับลูกชายของนางเด็ดขาดและสุดท้ายเพียงพระนางไม่ยอมเห็นนิวซูเฟินถึงขั้นจะเอาชีวิตพวกนาง เอาละหลี่ชิงพิงยกมือขึ้นลูกสเก็ตเลือดที่หน้าผากที่เริ่มแห้งกรังก่อนจะตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวข้าตกลงยา่าหนิวซูเฟินเคยทารุณพวกนางสองแม่ลูกและบีบบังคับให้นางอย่ามานับครั้งไม่ถ้วนเดิมทีพระอยากให้ลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์นางจึงไม่ยอมยาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปพ่อหนิวซูเฟินได้ยินว่าหลี่ชิงพิงยอมยาก็รีบตอบรับทันทีดีงั้นก็เซ็นชื่อเดี๋ยวนี้เลย ขอแค่อย่าให้จบจบเปลูกชายกลับมาเป็นโสดก็จะได้ไปจดทะเบียนใหม่ได้ถ้าสองแม่ลูกนี่ยังคิดจะมาพัวพันอีกค่อยหาทางกําจัดไปทีหลังหลหวานส่งสายตาให้แม่ของนางการอยนี้นั้นไม่มีปัญหาแต่ต้องมีเงื่อนไขหากจะอยากก็ได้เจ้าค่าแต่เงินที่ท่านพ่อส่งกลับมาบ้านตลอดหลายปีนี้ถือเป็นสินสมรสของท่านพ่อกับท่านแม่ค่าขอเรียกคืนครึ่งหนึ่งนอกจากนี้ตอนนี้ข้ายังไม่บรรลุนิติภาวะท่านพ่อยังต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ข้าทุกเดือนด้วย ถุยนั่งเด็กสารเลวสองคนนี้ช่างกล้าพูดออกมาได้หลายปีมานี้พวกเจ้ากินของตระกูลโจใช้ของตระกูลโจยังจะมาเอาค่าเลี้ยงดูอีกรึไปฝันเฟื่องเอาเถอะหนิวซูเฟินได้ยินเช่นนั้นแววตาก็กลับมาดูดันอีกครั้งอยากได้เงินรึฝันไปเถอะตกลงเจ้าค่ะในเมื่อท่านย่าไม่เต็มใจให้เช่นนั้นก็ไม่ต้องแหนะแล้วหลิวันกรอกตาไปมาพลางพยักหน้า ถ้าจะตามท่านแม่ไปหาท่านพ่อที่กองทัพจะไปถามผู้บังคับบัญชาของท่านพ่อให้รู้ความว่าการที่เขาไม่สนความเป็นตายของลูกมีเช่นนี้มันถูกหรือผิดกันแน่เจ้ากล้าหรือหนิวซูเฟินเห็นว่าพวกนางคิดจะไปอารวาสที่กองทัพก็ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเอาเถอะให้ก็ให้เจ้าจะเอาเท่าไหร่สองพันหยวนหนิวซูเฟินได้ยินแล้วถึงกับหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมโจชุนหงรีบเข้ามาประคองไว้ นิ้วซูเฟินสะบัดไหล่ผลักลูกสาวออกไปก่อนจะอ้าปากหนาเจ้ากับแม่ของเจ้ามันก็พวกเจ้ากรรมนายเวรหนึ่งคนชั้นต่ําเหมือนกันสองพันหยวนรฤเจ้ากล้าพูดออกมาได้ยังไงนี่มันกันโชคกันชัดๆข้าจะไปหาสองพันหยวนมาจากที่ไหนให้เจ้าจากความทรงจําของเจ้าของร่างเดิมหรี่หวันพอจะรู้สถานการเบี้ยเลี้ยงของพ่อราคาถูกคนนี้อยู่บ้างแต่นางยังไม่ทันได้เรียบเรียงหรีชิงผิงก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงเย็นชา โจเจียนเ ย, ยเดเบียเลง เ, เดือนละยี่หยวนพวกเราแต่งงานกันมาสิกว่าปีแล้วรวมกันอย่างน้อยก็ 3,000 ันหยวนค่ากับเขาอยู่ห่างกันมากกว่าอยู่ด้วยกันหลายปีมานี้ข้าต้องแบกรับภาระหน้าที่ในฐานะลูกสะใภ้แทนเขาทั้งทํากับข้าวซักผ้าทํานาดูแลคนในครอบครัวท่านจะไม่ออมชอมก็ได้แต่ความจริงย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ดังนั้นข้าควรจะได้ส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งอีกทั้งหวันเอ๋ยยังต้องเข้าโรงเรียนในอนาคตต่อให้ยากกันแล้วในฐานะพ่อเขาก็ควรจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ผู้ใหญ่บ้านโจท่านคิดว่าสิ่งที่ข้ า, ขาคะ เมื่อหลีชิงผิงพูดจบหยาดน้ําตาก็ร่วงหล่นจากขางตาช่างดูน่าเวทนายิ่งนักผู้ใหญ่บ้านโจได้ยินแล้วก็ทอดถอนใจด้วยความรู้สึกสเตือนใจคนในหมู่บ้านต่างรู้ดีว่าสองแม่ลูกหลีชิงผิงใช้ชีวิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรเขาหันไปมองนิวซูเฟิร์นนิวซูเฟิร์นสิ่งที่สหายหลีชิงผิงแบ่งนั้นสมเหตุสมผลแล้วหนังสืออย่าค่าจะให้คนร่างขึ้นมาให้ส่วนเงินสองพันหยวนนั่นเจ้ากระจงเอาออกมาเสีย นิวซูเฟินกุ่มหน้าอกสุดลมหายใจเข้าลึกๆดวงตาเล็กๆที่เต็มไปด้วยการคำนวณกรอกไปมาตกลงค่าให้ค่าจะถือว่าเสียเงินซื้อความสงบนางขบเที้ยวกี้ฟันมองหลี่ชิงผิงและหลี่หวานด้วยสายตายเย็นเยียบเมื่อมีผู้ใหญ่บ้านเป็นพยาหนิวซูเฟินจึงกลับไปเอาเงินมาทั้งสองฝ่ายลงนามในหนังสือหยาเมื่อมองดูหนังสือย่าที่มีรอยประทับลายนิ้วมืออารมณ์ที่เคยพลุ่งพลานของหลี่ชิงผิงก็สงบลงในที่สุดนับจากนี้นางไม่ต้องทนทุกทรมานในตระกูลโจวัวแล้ววันเล่าอีกต่อไป เมื่อเห็นหลีชิงทิงเก็บหนังสื อ, อยเรียบร้อยแล้วหลีหวานก็จูมือผู้ใหญ่บ้านโจวไว้ท่านปู่ผู้ใหญ่บ้านข้ายังมีอีกเรื่องที่อยากจะบอกเจ้าค่ะหวานเอ๋อน้อยเจ้ายังมีเรื่องอะไรอีกรึหลีหวานเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังนับจากนี้ไปข้าจะไม่ใช้นามสกุลโจอีกแล้วข้าจะใช้นามสกุลตามท่านแม่ต่อไปข้าชื่อหลีหวานเจ้ากะระหว่างทางกลับจากบ้านผู้ใหญ่บ้านเมื่อใกล้จะถึงหน้าประตูบ้านหลีหวานก็นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ นางลากแม่ของนางไปยังเชิงเขาใกล้ๆอย่างลับๆล่อๆวันเออฝนตกหนักขนาดนี้พวกเราเร่งกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวจะปวดหัวตัวร้อนเอาได้รอเดี๋ยวก่อนเจ้าคะ่ะหรือวันชี้ไปยังคนผู้นั้นท่านไม่มีคนอยู่ตรงนั้นเจ้าคะ่ะ